สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ชุดเพรซูตอนที่สามรอยเจ็ดสิบสองเรื่องความตายครั้งที่สองพะจ้ะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเอ็ดนะครับข้อที่ยี่สิบแปดพระธรรมยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบแปดจนกระทั่งข้อที่สี่สิบสี่โปรดฟังพจะนะของพระเจ้า เมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังประทับอยู่นะที่ซึ่งมาทาพพโปรงนั้นเมื่อพวกยิวที่อยู่กับมารีในเรือนกำลังปลอบโยนเธออยู่เห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไป เขาทั้งหลายจึงเดินตามเธอไปนึกว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ัันมาลีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าค่าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัย และทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์พระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านคู่นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็น จะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูทรงสเสถือนพระทยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมาสี่วันแล้ว เปียสูตรับกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกเปียซูทรงแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองข้าพระอง์ทราบว่าพระองค์ทรง ฟ, งฟังข้าพระองเสมอแต่ที่ข้าพระอง์กล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัส ด, ดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาสลัสเอ๋ย e ออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้ว ปล่อยเขาเถิดพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นเปเยซูทรงสะเทือนพระไยพระเยซูทรงเป็นทุกข์เปเยซูทรงพระกันแสงและพระเยซูก็ทรงสะเทือนพระไถยอีกอะไรที่ทําให้พระเยซูร้รองไห้ครับคําตอบก็คือความตายความตายก็คือการแยกจากกันนะครับ ผมขอทบทวนเมื่อวานนี้ความตายนั้นคือการแยกจากกันพี่น้องครับข้อที่สิบแปดบอกว่าครอบครัวของลาซาลัสนั้นอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มก็คือพวกเขาพำนักอยู่ที่เบธานีอยู่ห่างจากเยรูเซ็มประมาณสามกิโลเมตรนั่นเองแสดงว่าจะต้องมีคนมากพอสมควรจากเยรูซาเล็มมาแสดงความเศร้าโศกกับครอบครัวของลาซาลัส มาทานั้นเมื่อพบกับพระเยซูมาทาทูลพระงว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดสิ่งใดที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานแก่พระองค์นี่เป็นคําพูดที่แสดงถึงความเชื่อศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของมาทาเธอไม่ได้ทูลขอพระเยซูให้คืนชีวิตแก่น้องชายของเธอเธอเชื่อว่าหากพระเยซูประทับอยู่ ก่อนที่ลาสรัสจะตายลาสรัสคงไม่ตายแน่ลาสลาสจะยังมีชีวิตอยู่แน่แต่เธอก็ยังเชื่ออีกว่าพระเยซูจะทรงกระทําตามน้มันไทยของพระองค์อย่างไรก็ได้ถ้าพระเยซูปรารถนาจะทำพระเยซูทําได้ทั้งนั้นแต่พระเยซูตรัสกับเธอว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกมาธาก็คิดว่าพระเยซูคงจะเอ่ยถึงการฟื้นขึ้นมาในวันพิพากษาสุดท้าย เยซูตรัสตอบเธอในข้อที่ยี่สิบห้ายี่สกว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเราถึงแม้ว่าเขาตายแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเพียงครับโปรดฟังครั้งครับใครก็ตามที่วางใจในพระเยซูพี่น้องครับแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตวางใจในเราหมายถึงหมายวางใจในพระเยซูจะไม่ตายเลยพี่น้องครับพระเยซูเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตนี่คือชัยชนะเหนือความตายครับพระเยซูถามมาทาว่าเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมาทาจริงสารภาพความเชื่อเธอออกมาว่าเชื่อโปรงเจ้าค่ะถ้าโปรงเชื่อว่าโปรงชงเป็นพระคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้ ข้อความนี้คงจะทําให้พระเยซูทรงพัสรวนหรือทรงเป็นสุขมากเพราะยังมีผู้ที่เข้าใจและเชื่อว่าพระเยซูเป็นใครมาธานั้นเชื่อและเข้าใจว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้อย่างแน่นอนมาธากลับไปบ้านแล้ะบอกกับมารีว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้ามารีก็รีบลุกขึ้นไปเข้าเฝ้า พระเยซูย้อนอธิบายในข้อต่อไปว่าพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านครับแต่ประทับรออยู่นะที่มาธาพบพระองค์ดังนั้นเมื่อมารีรีบร้องออกจากบ้านรีบร้อนออกจากบ้านพวกที่มาปลอบโยนก็ติดตามเธอมาด้วยเพราะคิดว่าเธอคงจะไปร้องไห้ที่ค่าที่อุโมงค์เพื่อเทียกคําควรถึงน้องของเธอเมื่อมารีรมาพบพระเยซูเธอชุดตัวลงกราบพระองค์พี่น้อง ค, ครับ ที่นี่บอกว่ามาธาพูดเหมือนมารีมารีก็พูดเหมือนมาธาโรงเจ้าข้าถ้าโปร่งประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพรงก็คงไม่ตายข้อสามๆบอกอีกนะครับว่าเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้โปรงก็สะเทือนพระทยัยถามว่าทำไมพระองต้องสะเทือนพระทัยครับคำตอบก็คือโรงเห็นถึงความโศกเศร้า เห็นถึงความทุกข์เห็นถึงผลของความบาปครับพระองค์ทรงกันแสงนะครับหมายความว่าพระองค์นั้นได้พบกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเห็นสะเทือนพระทัยพระองค์ทรงร้องไห้ความรักลึกซึ้งที่พระองค์ทรงมีต่อลาสลักความรักลึกซึ้งที่มีต่อครอบครัวนี้ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ ก็คือความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบโปร่งร้องไห้ได้ในเรื่อกัรโปร่งสะเทือนพระไทยได้โปร่งได้พบกับความทุกข์ยามพลัดพรากจากกันได้เป็นนะครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายจะมีความรู้สึกที่เล้าโลมใจที่มาจากพระเจ้าสำหรับบางท่านหรือหลายท่านที่ บุคคลอันเป็นที่รักได้จากไปพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอย่างไรเรามีความรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรอวรนอย่างไรพระเยซูทรงทราบถึงความรู้สึกของเราเช่นเดียวกันเพราะพระองค์ผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่น้องครับในที่สุดลาสรัส ก, ก็เป็นขึ้นเหนือความตายครับเพราะพระเยซูทรงชุบชุบให้ลาสรัสเป็นขึ้นมาจากความตาย ในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อนะครับว่าการเป็นขึ้นเหนือความตายนั้นเป็นอย่างไรในรายละเอียดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันนี้ที่เราจังหลายจะไขควรถึงความตายอีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าพระเยซูทรงพระกันแสงเรารู้ว่าพระเยซูทรงสะเทือนพระทยัยเมื่อเห็นความตายอยู่ตรงหน้าและเรารู้ว่าในที่สุดแล้วพระเยซูสามารถที่จะให้ เราทั้งหลายเป็นแคนเหย่าความตายได้อาเมีน